สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะบีรายงานตัวค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทางบ้าน ส่งกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะบางเรื่องเนี่ยบีเองก็ยังไม่ได้เปิดกล่องข้อความทางแฟนเพจเพื่อที่จะเปิดขึ้นมาดูเลยเกรงว่าจะเกิดความสับสนว่าเรื่องนี้เล่าหรือยังเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่านะคะก็เลยทําให้เรื่องที่ยังไม่ได้เปิดอ่านเนี่ยหมายความว่าเรื่องนั้นยังไม่ได้เล่านะคะคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาก็อย่าเพิ่งใจร้อนต่อว่าบีก็แล้วกันเนาะทําคนเดียวค่ะก็เลยค่อนข้างจะความจําไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันค่ะจากคุณปัตทวีนะคะส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะปัดเป็นแฟนคลับช n แน l พระเจอผีและก็เป็นแฟนเพจพระเจอผีด้วยฟังพี่บีเล่าทุกวันเลยก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวหลอนๆของตัวเองเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันโดยจะขอใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าผู้มาเยือนคุณปัดเองบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อน รุ่นพี่ที่สนิทกันนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ผ่านมาประมาณสัก 4- 5หปีแล้วนะคะขอใช้ชื่อแทนเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ว่าพี่บอยนะคะซึ่งพี่บอยเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ประสบพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะคะแล้วก็ทางครอบครัวของคุณบอยเองก็จะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม ครอบครัวของพี่บอยหรือว่าคุณบอยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคุณแม่แล้วก็จะมีปา๋าก็คือคุณพ่อนะค ะ, อะของพี่บอยเนี่ยรวมกันก็จะเป็น3มคนพ่อแม่ลูกครอบครัวของพี่บอยเนี่ยอาศัยอยู่ที่โครงการเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะอยู่ในละแวกนิคมอุตสาหกรรมบางปูนี่แหละค่ะแต่ขอไม่บอกนะคว่าโครงการไหนเพราะว่าละแวกนี้ปันจะมีบ้านเอื้ออาทรเกิดขึ้นหลายโครงการพอสมควรป้าของพี่บอยนี่ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับมีองค์อะนะคะแกก็จะออกแนวไปทางแบบร่างทรงอะไรประมาณนั้นพี่บอยกยเล่า ว, ว่ามีอยู่คืนหนึ่ง พี่บอยนอนอยู่ข้างนอกหน้ า, าหน้าทีวีส่วนป๋ากับแม่ของพี่บอยเนี่ยก็จะนอนในห้องคืนนั้นพี่บอยหลับไปค่ะจนดึกสงัดเลยพี่บอยบอกอรู้สึกตัวเหมือนมีคนมาดึงตรงช่วงหัวไหล ก็คือพี่บอยแกนอนตะแคงหันหลังให้กับกำแพงแล้วแกก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดึงแกให้พลิกจากการนอนตะแคงเนี่ยให้เป็นนอนหงายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยดันให้แกพลิกตัวกลับมานอนตะแคงอยู่ท่าเดิมเป็นอยู่แบบนี้แหละคะ่ะประมาณสองรอบจนแกเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ง่วงเงียลืมตาตื่นแต่ว่าในขณะที่พี่บอยนอนตะแคงอยู่นั้นกาลังจะตื่นนี่แหละนะคะ มันก็มีสิ่งที่ทำให้แกต้องช็อกแล้วก็ผวากับสิ่งที่เจอคือแกเห็นมือในลักษณะที่ยาวแหลมคือมันยาวแล้วก็เหมือนเป็นศพแห้งๆอะค่ะแต่ว่ามันยาวมากเกินความปกติของนิ้วมนุษย์มือนั้นเนี่ยมันได้เข้ามาจับที่ไหล่ของพี่บอยแล้วก็ดึงแกพลิกไปพลิกมาให้นอนอาตาแคงให้นอนหงายแล้วก็สิ่งที่ทาให้แกเรียกว่าช็อกเพิ่มเข้าไปอีกก็คือมือนั้นเนี่ยเป็นมือของผู้ชาย ะะซึ่งมีหน้าที่ตอบเหมือนศพคนที่แห้งตายแบบมานานแล้วอะไรประมาณนี้โดยที่ผู้ชายคนนี้นะคะจะมีลักษณะดวงตาที่ลึกกลวงโบมันโผล่ทะลุออกมาจากกำแพงค่ะคือแบบทะลุออกมาเลยเป็นเป็นแบบลักษณะครึ่งตัวเลยนะ แล้วพี่บอยแกก็สบตากับผู้ชายคนนั้นอย่างจังในระยะแค่เอื้อมค่ะพี่บอยก็เลยรู้เลยว่าสิ่งที่แกเจออยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากที่เราเรียกกันว่าผีแน่นอนค่ะนั่นคือผีแน่นอน เล่นเอาคุณบอยเนี่ยนะคะถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวค่ะกับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอมาอยู่ณขณะนั้นเรียกว่าพูดอะไรก็ไม่ออกจะร้องก็ร้องไม่ได้เหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอและผู้ชายที่มีหน้าตาแล้วก็รูปร่างที่น่ากลัวน่าสยดสยองควนั้นก็ใช้มือของมันนี่แหละจับที่ไหล่พี่บอยให้พลิกกลับไปนอนตะแคงเหมือนเดิมพี่บอยแกก็กลัวค่ะจนทาอะไรไม่ถูกตัวแข็งปากสั่นเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้น มือนั้นนะคะที่เป็นมือของผู้ชายที่หน้าตาสยดสยองนั่นแหละก็ดึงพี่แกกลับไปนอนท่าหงายอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชายคนนี้ที่ออกมาในลักษณะครึ่งตัวเนี่ยโผล่ออกมาจากกําแพงห้องเนี่ยคือยื่นหน้าเข้ามาจ้องตาพี่บอยแบบหน้าแทบจะติดกันเลยแกจ้องไปที่ดวงตาที่ลึกโบ๋และก็หน้าที่คล้ายศพของผู้ชายที่แห้งตายมานานจนแก้มตอบเหลือแต่เป็นโครงกระดูกนะคะ เท่านั้นแหละค่ะพี่บอยแกใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่แกมีอยู่ตะโกนออกมาสุดเสียงบอกป๋าเท่านั้นแหละค่ะป๋าพี่บอยเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องเลยทันทีที่ป๋าออกมาผู้ชายนีรนามคนนั้นมันก็ผลูบหายเข้าไปในกําแพงป๋าแกออกมาแล้วก็วิ่งตามออกไปข้างนอกนะคะซึ่งป๋านี่วิ่งเร็วมากเสียงนี่ดังตึงตึงตึ ง, ต, งตึงกันเลยนะคะส่วนแม่ของพี่บอยเนี่ยแกก็รีบเข้ามาถามไถ่แล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้น สักพักหนึ่งป่าแกก็เดินกลับมาป่าแกพูดสั้นๆแค่ว่าไม่มีอะไรแล้วเขามาขอเอาคนเขาแวะเข้ามาดูว่าใช่คนที่เขาต้องการหรือเปล่าเขาก็เลยจับตัวของพี่บอยเนี่ยนอนพลิกนอนหงายนอนพลิกนอนหงายเพื่อที่จะดูให้มั่นใจว่าใช่คนที่เขาจะเอาไปด้วยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าพี่บอยเนี่ยไม่ใช่คนที่เขาต้องการเขาก็เลยไม่เอาไป เป็นพราะว่าป่าของพี่บอยเองค่ะค่อนข้างเก่งในเรื่องของพวกนี้เหมือนกันหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่บอยก็ฝันนะคะว่ามีปีศาจหน้าตาน่ากลัวที่แกเคยเจอมันมานั่งเล่นบนแท้งน้ําหลังบ้านพอแกตื่นเช้ามาคนตึกเดียวกันกับพี่บอยก็ตายแบบไม่รู้สาเหตุคือเหมือนกับนอนไหลตายไปเฉยๆประมาณนี้นะคะและพี่บอยก็ไม่เคยเจอกับอะมนุษย์ตัวนั้นอีกเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละนะคะและที่พี่บอยแกเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นผีหรือปีศาจ พีบ่บอยแกก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆ น, นะคะมันไม่ได้มาดีแท้ 100% ยอร์เังไงก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอื่นที่เจอกับตัวเองให้ฟังบ้างนะคะขอบคุณคุณลูกปัดนะคะปัดทวีที่ส่งเรื่องนี้เข้ามาทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจพระเจอผีของเราด้วยนะคะแหมน่ากลัวจริงๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วนอนอยู่คนเดียวด้วยนี่โหคงจะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกป๋าอะไรไม่ออกเลยละคะ่ะนอกจากคนในบ้านเนี่ย จะเรียกปอต๊กตึงอย่างเดียวก็พอจบเลยนะคะทีนี้มาติดตามฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะถูกส่งเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจเหมือนกันจากผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่า NCP Sky นะคะขอเริ่มเล่าเลยกันละกันคือเมื่อส่งกระดาษที่ผ่านมาได้หาวัดที่จะบวชชีแล้วก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่ง เขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปลองดูที่สวนธรรมแห่งหนึ่งค่ะยังไงขอไม่เอ่ยชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้นะคะเดี๋ยวคนใหม่ๆที่จะไปปฏิบัติเนี่ยก็จะกลัวไม่กล้าเข้าไปพี่เขาบอกว่าที่สวนธรรมนี้จะเดินสมาธินั่งสมาธิได้ทั่วๆไปเหมือนกับที่สวนธรรมอื่นแต่ที่พิเศษก็คือตรงที่ตกกลางคืนเนี่ยเขาให้ไปนั่งในบ้านร้างคนเดียวสองชั่วโมงเลยนะ คือไอเราเนี่ยก็เป็นคนกลัวผีเอามากๆเลยแหละค่ะก็เลยบอกว่าจะไหวหรือเปล่ากลัวผีเดี๋ยวช็อกตายหรืออาจจะเป็นบ้าทํำยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกที่นี่เนี่ยดีมากนะลองดูจนถึงใกล้วันหยุดสงกรานค่ะก็เลยตกลงลองไปดูตัดสินใจบวชชีโกนผม5้าวันเพราะว่าบนให้แม่ไว้9วันแต่ว่าหยุดได้แค่5้าวันส่วนอีก4วันเนี่ยจะบวชใหม่ตอนสิ้นปีนี้นะคะ จนเช้าวันที่11เมษายน2561ก็ก็คือปีนี้แหละค่ะก็ได้ตัดสินใจบวชเลย สายๆก็เข้าลานทำเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงก็ทําแบบนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทางวัดเนี่ยจัดขึ้นนะคะก็ทําแบบนี้อยู่3มรอบภายในวันนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยทางเจ้าของเรื่องบอกว่าเราเป็นคนใหม่คนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นคนเก่าที่มาปฏิบัติกันสักเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะก็กําลังนั่งสมาธิรอบสุดท้ายอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแม่ชีบอกว่าให้เร่งคําภาวนาให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอีก ตอนนี้คือปากพูดหนอหนอไปเรื่อยๆเร็วๆนะคะจนแบบจะขาดใจละเสียงแม่ชีก็ยังคงบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ ว, ซ, ลวซ้ำอีกคือในใจเนี่ยก็คิดว่าเออมันเร็วแล้วนะคือเร็วจนหายใจไม่ทันแล้วเนี่ย อีกประเดี๋ยวก็มีเสียงคนหลายคนนะคะมาช่วยเร่งหนอเหมือนกันคือเจ้าของเรื่องบอกว่าเราก็ต้องเร่งหนอหรือพูดคําว่าหนอให้เร็วกว่าหรือว่าให้เร็วเท่ากับคนที่มาพูดกรอกหูซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังต้องนั่งหลับตาทําสมาธิอยู่นะคะภาวนาไปสักพักหนึ่งค่ะตัวเริ่มจะหงายหลังเข้าคนที่เขาเป็นคนที่พูดอยู่รอบๆรอบๆตัวของเจ้าของเรื่องที่บอกว่าหนอหนอหนอนอเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอย่า ก, กริง เขาพูดออกมาเลยนะบอกว่าอย่ากเกรงอย่าไปฝืนสุดท้ายหงายหลังลงไปนอนเลยอะ่ะสักพักก็ลุกขึ้นนั่งเองพระอาจารย์ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าทําไมต้องเร่งคําภาวนาก็เพื่อที่ว่าเวลาเรานั่งในคืนนี้ต้องเร่งให้ไวกว่าที่เราทําเมื่อตอนเย็นท่านก็ถามว่ากลัวผีไหมไอ้เราก็บอกว่ากลัวกลัวมากด้วยท่านก็เลยบอกว่าดียิ่งกลัวยิ่งได้ถ้าอย่างนั้นนั่งทั้งหมดเก้าชั่วโมงก็เลยถามท่านว่าเอาทําไม9้าชั่วโมงละ่ะ พระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าพระเนรชีนั่ง9ก้าชั่วโมงอึ้งไปเลยค่ะเพราะว่าที่รู้ก็คือสองชั่วโมงท่านให้ไปอาบน้ําเตรียมตัวทาวัดเย็นทีนี้พอทาวัดเย็นเสร็จเวลาสองทุ่มท่านก็เลยมาบอกว่าได้เวลาแล้วก็เลยอ่าทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่ชีทั้งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ก็เดินกันไปส่งเกือบยี่สิบคนเลยนะพาเดินผ่านหอนอนผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปในที่มื ด, มด ที่หนึ่งที่มีแสงสว่างจากไฟฉายเท่านั้นเป็นที่สองทางบ้านร้างหลังนี้เนี่ยคืออยู่ไม่ไกลจากหอนอนนักแต่ว่าน่ากลัวค่ะคือตอนนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในอาการแบบนั้นหรือว่าอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นคงจะเข้าใจเลยว่าคําว่ากลัวผีมันเป็นยังไงนะคะหัวใจเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะเงื้อแตกออกมาเป็นเม็ดเท่านิ้วโป้งพอเดินเข้าไปในบ้านร้างเนี่ยก็เจอค่ะเจอสารจีน เจอรูปปั้นกุมารเอ่ยเจอโลงศพเอ่ยชุดไทยเอ่ยแม่ชีท่านเรียกให้มานั่งในกรดตรงหน้าโลงศพแล้วก็ให้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ให้พูดตามขึ้นบทขอกรรมาฐานพร้อมปลุกผีให้สติจะแตกแต่ที่พีคสุดคือแม่ชีเนี่ยท่านไปตบโลงให้แล้วหูใจเจ้าของเรื่องนี้แบบเต้นแบบตึกตักตึกตักตึกตักเลยเงือออกเต็มไม้เต็มมือคือไหลเต็มตัวไปหมดแล้วก็ให้พูดตามค่ะบอกว่าโอมจงลุก โอมจงลุกผีตายโหงผีตายทั้งกลมที่อยู่ในป่าช้าแห่งนี้จงลุกขึ้นมาหลอกหลอนลุกขึ้นมาหลอนข้าพเจ้าไม่กลัวผีคุณผู้ฟังคะพอคำนี้ละค่ะหยุดพูดนึกในใจอย่ามาหลอกกันเลยนะลูกกลัวแต่สุดท้ายก็ต้องพูดตามจนจบนะคะพระอาจารย์ท่านก็ให้น้ำมาขวดหนึ่งไฟฉายหนึ่งกระเ บ, บอกว่าถ้าจะเข้าห้องน้าเนี่ยก็ออกไปได้นะ แต่ว่าข้อห้ามในการนั่งคือห้ามลืมตาห้ามสวดมนต์ห้ามแผ่เมตตาให้ท่องแต่คาภาวนาอย่างเดียวแล้วสุดท้ายทุกคนก็สาธุพร้อมกันแล้วก็พากันเดินออกไปค่ะเจ้าของเรื่องบอกเรานั่งหลับตาจนเหงื่อท่วมตัวเลยสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะไม่เกินหนาทีมั้งมันมีเสียงปิดประตูหลังบ้านในเสียงดังโครมเลยในใจก็คิดว่าคงจะมีใครมากแกล้งแน่นอน แต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งค่ะก็มีเสียงหนูตกใส่หลังคาคือเหมือนกับกัดกันกับตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งบนหลังคาเสียงดังครืดคราดครืดคา ด, ค ด, คดเสียงร่วงลงมาจากข้างบ้านเสียงดังตึ้งเลยนะคะในใจก็เนืกว่าโหมีเอฟเฟกกันแบบนี้เลยอีกเดี๋ยวค่ะก็มีเสียงตีขวดพลาสติกเสียงดังกรอบแกรบอยู่รอบบ้านแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าต่างความรู้สึกตอนนั้นนะเหมือนมีคนมายืนมองตรงหน้าต่าง ใจก็นึกว่ามีคนมากแกล้งแน่นอนพระเนมจีต้องมากแกล้งเราก็คิดแบบนี้มันก็จะลดความกลัวไปได้นิดนึงนะคะลองนึกดูนะคุณผู้ฟังนั่งอยู่ในบ้านร้างบ้านสับ ป, ปะเดอที่เขาตายอยู่ในบ้านนั้นด้วยเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะ เจ้ของเรื่องบอกนะคะว่าเราเนี่ยก็ท่องคำภาวนาอย่างเดียวในใจสมองเนี่ยมันไม่ไปตามคำภาวนานะมันก็คิดว่าอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยคิดว่าเมื่อไหร่จะมารับเมื่อไหร่จะสว่างแล้วเสียงหนูที่มันกัดกันกันกบตัวอะไรเสียงตีขวดความรู้สึกว่ามีคนมายืนมองอยู่ข้างหน้าต่างก็วนกลับมาซ้ำๆเดิมๆเหมือนหนังที่ฉายวนจากฉากนี้อยู่ตลอดทั้งคืนค่ะคุณผู้ฟัง จนกระทั่งใจมันเริ่มจะตั้งสติกลับมาได้นิดหนึ่งจากเริ่มที่กลัวว่าจะมีคนมานั่งอยู่ตรงนั้นมามันเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้แล้วกูกลัวมากเลยกูต้องตายแน่ๆเลยประมาณนี้มันลดความกลัวลงมาได้นิดเดียวแต่ก็ยังกลัวอยู่แบบนั้นนะคะไม่มีลมพัดมาให้เย็นเลยสักนิดเดียวตัวนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อค่ะไม่รู้ว่านั่งอยู่นานแค่ไหนจนเริ่มปวดก้นปวดขา พ่อขยับตัวค่ะกะว่าจะเปลี่ยนท่าให้ร่างกายเนี่ยมันค่อยแบบคลี่คลายลงไปหน่อยเนะะี่ยค่ะหายปวดหน่อยเสียงมันกลับมาอีกแล้วค่ะมันได้ยินอีกแล้วในใจนี่ก็นืกว่าโอ้ยนี่ถึงกับเปลี่ยนเวรกันมาแกล้งกันเลยด้วยไงเนี่ยใจจะขาดเลยนะแต่คุณผู้ฟังครับแปลกนะพอเริ่มเคลิมคล้มๆสับปงกมาอีกแล้วค่ะเสียงหนูกัดร่วงลงจากข้างบ้านเสียงตีขวดนี่ดังอยู่รอบบ้านเลย มีคนมายืนอยู่ตรงหน้าต่างด้วยอันนี้คือความรู้สึกนะคะีค่ะตั้งแต่เกิดมาเรื่องนี้ตอนนี้เวลานี้มันคือช่วงที่แสนทรมานแล้วก็เป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตคิดว่าเมื่อไหร่จะมารับเมื่อไหร่จะมาเมื่อแดดจะสว่างสักพักหนึ่งมันก็เหมือนมีแสงส่องสว่างค่ะเหมือนใครส่องไฟเข้ามาทางหางตาแล้วก็หายไปอีกสักพักหนึ่งก็เหมือนมีใครเปิดไฟในบ้าน แอบดีใจฮะสงสัยว่าจะตี5แล้วคงมารับแล้วเสียงไก่ก็ขันแต่ว่านั่งอยู่แป๊บนึงเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงใครเลยไฟที่ว่าสว่างก็มืดลงอีกเสียงหนูมันก็มาอีกคือนั่งจนจับค่ะจจะจนจับได้เลยนะฮะว่าหนูเนี่ยมันมาบนหลังคามันจะตามมาด้วยเสียงขวดมันจะตามมาด้วยความรู้สึกเหมือนคนยืนมอง ตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เสียงค่ะมันเริ่มมีกลิ่นมาด้วยละเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นฟอร์มาลินฉีดศพในใจตอนนั้นนะคะก็นึกค่ะว่ามีคนมาแกล้งแน่นอนเลยมันเล่นเอากลิ่นเนี่ยใส่ไม้สอดลอดช่องหน้าต่างเข้ามาให้ดมขนาดนี้เลยเหรอคือกลิ่นมันใกล้ขนาดนี้เลยนะคะเอมทํากันได้ขนาดนี้อันนี้คือเรียกว่าหลอกตัวเองไม่ให้กลัวมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ แล้วก็มาแบบนี้กันทั้งคืนค่ะทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งกลิ่นบนสลับกันไปสลับกันมาคืนนั้นทั้งคืนค่ะเรียกว่ากลัวมากไม่รู้ว่านั่งนานแค่ไหนเท่าไหร่จนกระทั่งได้ยินเสียงคนคุยกันมาแล้วก็เงียบอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงสาธุแล้วก็บอกให้ค่อยๆลืมตาก็เลยถามว่าชีทําไมนั่งหันหน้าไปทางนั้นละ่ะเจ้าของเรื่องถามว่าทางไหนแม่ชีก็เลยบอกว่าลืมตาสิ พอลืมตาขึ้นมาคุณผู้ฟังหันหน้าไปทางหน้าต่างแล้วความรู้สึกที่ว่ามีคนยืนมองด้านข้างนี่คืออะไรสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่คือผีหรือว่าคนแกล้งแม่ชีกับพี่อีกคนที่มารับตอนตีห้าเช้ามาฉันอาหารเชา้าพระอาจารย์ท่านสอบอารมณ์ว่าเจออะไรเห็นอะไรบ้างก็เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเห็นแสงดีแล้วต่อไปก็หมั่นฝึกนั่งกรรมาฐานบ่อยๆจะได้รู้มากขึ้น บวชจนครบ5้าวันก็ลาศิกขาออกมาแล้วก็กลับไปเข้าที่สวนธรรมอยู่เสมอบ่อยๆนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่จะเป็นเรื่องเล่าให้ฟังในรอบหน้าก็จะพาคุณผู้ฟังจับมือกันไปกลัวด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปเผชิญ ก, กันกับอาจา ร, รย์ใหญ่ด้วยนะอาจา ร, รย์ใหญ่เนะที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเมื่อสิ้นชีพไปแล้ว จะน่ากลัวสู้เรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะนี่ขนาดบีนั่งอ่านไปนะยังแอบผวาเสียงตู้เย็นที่อยู่ด้านหลังของบีเลยนะบางทีเวลาช่องฟีดหรือว่าเครื่องมันทำงานนี่มันจะดังป๊อกขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้สะดุ้งเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีในค่าคืนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่าน่ากลัวแบบนี้ อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะส่งมาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันทางแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีค่ะพิมพ์ลงในช่องค้นหาบน Facebook คุณผู้ฟังจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะพิมพ์ตรงตัวเลยพระเจอผีแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ใน Facebook แฟนเพจนะคะ วันนี้ขอบคุณสองเรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวจากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะคุณปัดนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้ชื่อบน Facebook ว่า NCP Sky ด้วยนะคะหมดเวลาของบีแล้วละค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณกับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ